ตอนนี้ไปคุณพากันตั้งใจชีวิตของคนเราเนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนนการที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ให้มันดีขึ้นโดยลำดับ เท่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ดีพอมันยังเป็นทุกข์อยู่ยังหวนไหวต่อความทุกข์อยู่ทุกขกายทุกข์ใจมีทุกข์อรือทั้งสองอย่างคนธรรมดาสามัญพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้น ท่านมีทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวแต่จิตของท่านไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเหตุที่จะให้จิตของท่านเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นท่านละหมดแล้วหมายความว่าเหตุอันใดเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทางในปัจจุบันและเบื้องหน้าท่านละขาดไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นพระอริยะบุคคลพระอาราหาันท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจพระอนาคามีก็มีอยู่บ้างไม่มากของทุกข์ทางใจเพราะท่านยังละอุปาทานขันหานี้ยังไม่หมดพระโสดาพระกิตาคามี ก็มีทุกข์ทางใจอยู่บ้างแต่ไม่มากเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญเพราะท่านรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่โดยเอกเทศแล้วคือพูดง่ายๆว่าท่านได้บรรลุอริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นโดยเอกเทศ โดยเอกเทศหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในอริยสัจสี่นั่นนะ่ะแบ่งเป็นสีส่ส่วนท่านได้บรรลุส่วนหนึ่งแล้วนี่พระโสดาบันนะนี่นนพระสกิทาคามีก็อยู่ในอารมณ์เดียวกันนะี่แหละแต่ว่าท่านบรรเทา ความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางไปกว่ลพระโสดาบันเท่านั้นเองแต่ที่ท่านไม่เป็นทุกข์นั่นก็เพราะว่าท่านมารู้แจ้งในขันห้านี้แหละด้วยปัญญาว่าขันห้านี้ไม่มีในตนตนไม่มีในขันห้า ขันห้าไม่ได้เป็นตนตนไม่ได้เป็นขันห้าท่านรู้อย่างนี้เสียใจจึงไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะออนที่มันเดือดร้อนอยู่ข้อเหตุว่ามันสำคัญว่าเราเจ็บเราป่วยสำคัญว่าเราแก่เข้าออชราสำคัญว่าเราจะตาย เมื่อมันสําคันจะมีเรามีเขาอย่างนี้มันมันก็หวงแหนแหละจิตใจนี่นะหวงขันห้านี่เองเนี่ยเมื่อควมหวงมีความหวงก็มีก็มันไม่อยากให้มันแตกกับพัดผากจากกันไปนะมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนั่นเองเนี่ยนายพากันเข้าใจ ก็ เ, เพราะตัณหานั่นแหละเป็นมูลเหตุนะตัณหาน่ะเป็นปัจจัยให้อุปาทาให้เกิดอุปาทานคือทําให้จิตใจยึดมั่นอยู่ในขันธ์หน้านั่นแหละว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ตทหาความอยากให้มีชีวิตเป็นอยู่ไม่อยากให้มันวิบัติแปรปวนไปนี่แหละตัณหา ตัวนี้แนหะสำคัญนะธรรมระตัญหาตัวนี้ลงได้เสียมันจะยั่งยืนอยู่ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันมันจะแตกกระดับเวลาไหนก็แล้วแต่มันเราไม่ห่วงถ้าทำใจได้อย่างนี้แลาวความว่าความทุกข์ใจมันก็ะ น้อยเบาบางลงแล้ววันนี้นะถ้าเป็นขั้นพระอราหันต์แล้วท่านก็ไม่มีทุกข์สักหน่อยเดียวอันนี้แหละยคนพากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถ้าหากว่าขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนแล้วศาสนาไม่มีเลย ไม่มีผู้สร้างบารมีปาถนาเป็นรู้ที่เจ้าที่จะมาสอนสัตย์ให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานไม่มีเลยออาก็มันเที่ยงอยู่แล้วนี่เกิดมามันเป็นอยู่ไหนก็เป็นอยู่องั้นตลอดอนันตการไปเรื่องอะไรนจะมาสร้างบารมีให้บรรลุพระนิพพานนะ น, นี่ก็ต้องให้เข้าใจ ก็เพราะขันธ์ห้านี่แหละมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนให้จิตที่มาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี่มันเจืงเป็นทุกเมื่อขันธ์ห้าแปรปรวนไปกระทบกับจิตจิตก็วันไวเพราะไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าเค่ น, นั้นแหละก็ะจึงได้วันไวไป ความที่จิตวันไหวนั่นแหละหมายถึงความทุกข์ทุกข์ทั้งแปลมาทนได้ยากทนลําบากหมายถึงอาการกระวนกระวายของจิตใจนั่นเองเนี่ยเป็ยงนั้นทีนี้คําว่าไม่ไม่มีทุกข์ทางใจนั้นเก็โรงกันข้ามนั่นเองเนี่ยขันห้าจะแปรขันวันไหว แต่จิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านไม่หวัอนไห้ไปตามขันห้าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่โดยปกติมียานอย่างรู้อย่างเห็นขันห้านี่อยู่ตามปกติื่อเห็นขันห่านี่มันจะแปรปวนมันจะแตกมันจะดับอยู่ไม่ใช่ว่ามันอยู่นิ่งๆไม่มี มันแปรผันวันไว้อยู่อย่างนั้นในเมื่อเหตุปัจจัยมันยังไม่หมดมันก็ยังไม่แตกดับไปจริงจังก่อนมีแต่มันค่อยแปรปรนไปทีละ น, นละน้อยละน้อยอย่างหัง้นถ้าเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ลงเมื่อใดคำนั่งห้านี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ก็ต้องแตกดับทำลายลงเป็นอย่างนี้เลยชีวิตอันนี้นะมันเป็นมาด้วยเหตุปัจจัยคือกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนกระทำมาตั้งแต่ก่อนนั่นเองเนะียนั่นแหละกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละติดตามมาตกแต่งรูปกายอันนี้ให้แต่ว่าอาศัยทาต ของมันดาบิดาดวงกีดได้มาปฏิสนทธิี่ในธาตุของมันดาบิดาแต่ว่ามีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแตง่งธาตุั น, นั้นให้เป็นรูปรัตนะของมนุษย์ขึ้นมาเราต้องเพ่งจารนาให้รู้ให้เห็นอย่างนี้มันจึงหายสงสัยว่าทำไมหนอ ขันห้านี่มันจึงไม่ยั่งยืนก็เพราะเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่มาตกแต่งขันห้านั้นมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันคิดดูให้มันรู้คือว่าบุญกุศลที่เราสร้างมานั้นน่ะมันมีขอบเขตจำกัดถ้าจะอุปมาภายนอกก็เหมือนอย่างบุคคลหาเงินหาทองมาได้นั่นเนี่ย เมื่อหามาได้น้อยใช้ไปหน่อยหนึมันก็หมดอย่างนี้นะผู้ใดหามาได้มากๆใช้จ่ายไปมันก็นั้นหมดหน่อยแต่ว่าในที่สุดมันก็หมดลงนั่นแหละแต่ที่มันไม่หมดเพราะหาว่าเพิ่มเรื่อยอันฉันไดชีวิตอันนี้มันก็เป็นเช่นนั้นแหละ แต่ว่ามันก็แตกต่างกันหน่อยที่ว่าเงินทองนั่นน่ะหามาใช้ใจ่ายหมดไปแล้วหาใหม่มามาใช้มันก็ใช้ได้อยู่สืบต่อกันไปแต่บุญและบาปที่บุคคลทามาแล้วนั้นมันมาให้ผลตกแต่งรูปนามนี้ให้มันมีขอบเขตจํากัด เมื่อมันให้ผลไปหมดขอบเขตของมันแล้วแม่ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลใหม่ในปัจจุบันนี้มากมายเท่าไรมันก็ต่ออายุอานามนี้ให้มีอายุมั่นคงสืบต่อไปไม่ได้เหตต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าบุญใหม่นี้มันสามารถต่ออายุให้ได้ มันก็จะมีคนตายหรือคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาในทาบุญทำทานมาแต่ละค น, นหมดเงินไม่ใช่น้อยเมื่อคิดเป็นตัวเงินแล้วมุลนี้มันก็จะต่อสืบต่ออายุให้ยังย่งยืนนานมาตั้งแต่คนบรโบราณมีอายุยืนมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ น, นี บุญที่ทำมาจะมีขอบเขตจำกัดมาตกแต่งรูปรายนี้ให้แล้วมันก็มารักษาไม่ให้มันแตกดับทำลายไปก่อนอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละก็เพราะอาศัยทั้งบุญเก่าทั้งบุญใหม่นั่นแหละช่วยรักษาไม่ให้แตกตายทำลายขันไปก่อนแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ รักษาเยียวยาให้หายได้ในเมื่อบุญเก่ายังไม่หมดเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นอย่าได้ประมาทเพราะว่าชีวิตนี้มันมีขอบเขตจำกัดเมื่อบุญกุศลเหตุปัจจัยยังมีอยู่ก็รีบเร่ง สั่งสมบุญกุศลเอาเสียให้เต็มความสามารถเมื่อบุญเก่าหมดลงและหมายถึงตายบันี้บุญใหม่จะให้ผลสืบต่อจะเป็นงานอันวิเศรษรองรับดวงจิตนี้ไปเกิดได้พบได้ชาติที่มีความสุขความเจริญให้ได้อยู่เย็นเป็นทุกข์ เพาอาศัยผลบุญผลแห่งความดีที่ทำในปัจจุบันนี้นี่พูดถึงบุคคลผู้สร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันจะจำเป็นเนี่ยจะต้องเกิดอีกอยู่ทำบุญกุศลยังไม่เต็มละตัณหายังไม่ได้หมดเส้นนี้นะมันก็จำเป็นต้องเกิดอีก แต่ถ้าผู้ใดตั้งใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะว่าเราจะพยายามละกิเลสให้หมดในปัจจุบันาชาตินี้แหละถ้าหมดความสามารถละกิเลสยังไม่หมดมันไปเกิดอีกก็จะเพียนละมันอีกจนกว่ามันจะหมดถ้าผู้ใดตั้งใจลงไ ว, ว้อย่างนี้นี่มันกร นับว่าดีสิดียังไงอ่ะดีเมื่อเวลาละโลกนี้เราไปเกิดในชาติอื่นพบอื่นชาติอื่นต่อไปไอบุญกุศลอันนี้เนะี่ยที่เราตั้งความหวังไว้นีมันก็ไปกระตุ้นใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้ได้เบื่อนาย ต่อกิเลสตัณหาอันมันก่อให้เกิดทุกนี้และจะได้ทำความเพียรพยายามละกิเลสตัณหานั้นต่อไปถ้าบุคคลใดไม่ได้ตั้งความหวังไว้อย่างนี้ว่าผู้นั้นน่ะเกิดไปชาติใดก็จะไปมัวเมาอยู่แต่การามคุณเมถุนสังโยชน เพราะว่าทำความยินดีพอใจอยู่ในกรรมคุณเมถุนสังโยชน์นั้นว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนเนื้อให้ไอคนที่หลงที่เมาติดอยู่ในกรรมทั้งหลายจนไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลความดีอะไรให้สมกับฐานะที่เราเป็นคนอย่างนี้เนะี่ย มันก็แสดงว่าแต่ชาติก่อนเขาก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณเพลิดเพลินอยู่ในกามกิเลสกามวัตถุกามอันนั้นเต็มที่เลยคันว่าทำบุญคุศสอนเาก็เพียงจะทำบุญให้ทานไปเว้นจากความทั่วไปตามธรรมดาของคนทั่ ว, วไปที่ไหความดีเท่านั้นเอง ไม่คิดว่าจะเพียนพยายามละกิเลสคือเรื่องภาวนานี่แหละคนส่วนมากไม่ค่อยคิดเลยเพราะกิเลสมันอยู่ที่ใจถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาไม่ฝึกจิตไปสํารวมจิตไม่เพ่งกรรมฐานให้เกิดอย่างนี้แล้วจิตก็สงบไม่ได้ เมื่อจิตไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ละกิเลสไม่ได้นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราเกิดมาในโลกนี่ที่ไม่คิดที่จะปฏิบัติธรรมไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็เพราะมันเป็นมันเคยชินกับความอยากความบาดนานี่มา มันติดอยู่ในความถูกเพียงเ ล, เล็กน้อยน้อยมาแต่ก่อนโน้นดังนั้นนะทุกคนให้เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าจิตใจนี่มันชอบพอไปในกิเลสตัณหามากมายอย่างนี้นะก็ให้มีสติเตือนตอน ว่าการที่จิตใจฝักใฝ่ชอบใจไปใ น, ในกิเลสสกรรมวัตถุ ก, กรรมมากมายนั้นไม่ใช่เป็นหนทางความสุขเป็นหนทางไปสู่ทุกข์การที่เราทำความพอใจยินดีในการปฏิบัติธรรมยินดีในการบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตน อันนี้จึงจะเป็นหนทางพ้นจากทุกข์ไปได้นี่ผู้ได้ได้ถึงตัวแล้วได้เตือนใจของตนอย่างนี้เสมอเสมอนะ่ะนับว่าผู้นั้นแหละก็เป็นผู้รู้สึกตัวแล้วผู้เห็นทุกข์เข็นภัยในวัฏสงสารนี่ผู้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันห้า ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะมาเห็นว่าดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในขันห้านี้มันแสนยากแสนลบขาบากเพราะขันห่านี่แหละมันไม่เที่ยงหน่อยหนึ่งก็ตรงโน้นวิบัติหน่อยหนึ่งก็ตรงนี้วิบัติหน่อยหนึ่งก็เจ็บโน้นปวดนี่อยู่อย่างนั้น ไม่มีเวลาปกติอยู่ได้แต่ถ้าผู้ใดเมาไปในกิเลสกรรมวัตถุกรรมมากมายแล้วมันถักไม่ตื่นตัวไม่รู้ตัวอะไรแต่จิตใจตนอยู่ทนได้ยากลำบากอยู่อย่างไรมันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะว่ามันมีเหยื่อล่อคื อ, อโรคเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี่ อันมนันสมมติขึ้นว่าสวยสวยงามนี่แหละมันเป็นเครื่องล่อใจให้ติดให้คล้องอยู่แม้มันจะทุกข์มันจะยากลำบากอย่างไรก็สู้ทนอดกั้นเอาขอจะให้ได้สิ่งที่ตนพออกพอใจเป็นเป็นอันว่าเอาแล้ว ดังนั้นนะทุกคนให้พึงพากันทบทวนดูให้ดีเราเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเนี่มานานานับชาติไม่ถ้วนเลยทีเดียวดวงจิตตรงนี้นะได้มาอาศัยขันห้าอยู่นี่คณะนานับไม่ถ้วนที่ล่วงแล้วมาแต่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะได้มาอาศัยขันห้าอันเป็นมนุษย์ที่เรื่อยมานะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น บางชาติหน้าไปทำบาปเดินไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประอพืชผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟิ่นเฮโร อ, อีนไปทำกรรมชั่วเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีหรือว่าหลายอย่างก็ดีแล้วไม่ไม่เห็นโทษของกรรมชั่วเหล่านี้เลยตลอดชีวิตชาตินั่นแหละ บาป ก, กรรมมันจะสุดคล้าไปนรกอกบายภูมิไปทนทุกทรมานอยู่ในนรก น, นานแสนนานกลัวมันจะค้นมาได้นะท่านกล่าวไว้ในตำราท่านว่าอายุของสัตว์นรกนี่ยืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์ตั้งสองเท่าตัวนั่นแหละ ลคิดดูเพราะฉะนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทให้กลัวต่อทุกขในอาบายภูมิให้มากไว้เ พ, พ, พราะถ้าผู้ใดพลาดลงไปอ่ะและรกนั่นแล้วนะ่ะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆพระองค์มีพระเมตตาพระกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายอย่างยิ่ง หวังจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิถ้าบุคคลมาฝึกตนละความชั่วทำความดีไปให้พ้นจากนรกอบายภูมิอย่างว่าแน่แนวถึงแม้จะได้เกิดอีกมันก็ไม่ทุกข์หลายหมายคออย่างนั้นเกิดแล้วมันก็ได้เสวยสุขสบายเพราะความดีที่ตนทำนั่นแหละ มันอำนวยผลให้มีความสุขความสบายแต่ว่าความสุขอันนี้มันก็มีขอบเขตอุปคุสนที่ตกแต่งความสุขให้นี่มันมีขอบเขตจำกัดอุปมาเหมือนอย่างอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปมือนึงหนึ่งมันก็ให้ร่างกายนี้เป็นอยู่ได้สบายใจสบายไปช่วระยะหนึ่ง พอไปธาตมบนย่อยอาหารเหล่านั้นหมดมันอาหารไปเลี้ยงร่างกายหมดแล้วบัด น, นี้มก็เกิดความหิวโหยขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อคนเราหา ก, กว่าบุญเก่าที่ ท, าทํามาแต่ก่อนนั่น่ะมันเบาบางลงไปมันน้อยลงไปโดยลำดับแล้ว ความอิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพ้มอ่อนเพลียอันใดก็ย่อมเกิดมีรับประทานอาหารก็มากก็ไม่ได้เพราะว่าธาตุไฟมันอ่อนลงไปแล้วมันจะย่อยไม่ได้ถ้าขืนรับมากๆไปธาตุลมก็อ่อนลง เพราะฉะนั้นเดินเหินไปมาทางไหนมันก็ไม่คล่องแก้วเพราะว่าลมมันอ่อนลงไปแล้วคนเราน่ะจะแข็งแรงจะเดินเหินไปมาทำอะไรแข็งแรงอยู่ได้นั้นเพราะอาศัยธาตุาลมมะถ้าลมมันเดินปกติมันไม่อ่อนแอมันมีกำลังตามปกติของมันแล้วก็อาศัยธาตุไฟ ธาตุน้ำธาตุดินประกอบกันหมดนั่นแหละเรียกว่าธาตุทั้งสีน่นี่มันยังมีกำลังสม่ำเสมอเหมือน อ, อย่างที่มันเกิดปาจะทีแรกกันเละเมื่อธาตุทั้งสีน่นี่มันปองดองสามีกันอยู่แล้วก็มันก็ทำให้ร่างกายนี่มีกำลังเต้นสามตอกออก3าวาได้เพราะอาศัยบุญเก่านั่นนะอุปถัมภ์บำรุงไว้ ประกอบด้วยการรับประทานอาหารเข้าไปอีกถ้าบุญเก่ายังบำรุงอยู่เต็มอากาศอย่างนี้เนี่ยกินก็ได้มากนอนก็รับสนิท ด, ดีจะเดินเหินไปมาทางไหนก็คล่องแคล่วทำการงานอะไรก็สะ ด, ดวกหูตาอันไรก็สว่างสว้ นี่แสดงว่าบุญเก่านะมันยัง ร, รักษาอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้นะ่ะให้เป็นไปอยู่มันถึงมีกําลังอย่างนี้ขั้นพอบุญเก่านี่มันน่อยหลอลงไปอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็สํารุดสุดโทมเปลี่ยนแปลงไปผิดปกติไปเลยแม้ว่าจะมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ก็ทั้ง แต่กําลังมันนักลดน้อยถอยลงมันไม่เหมือนแต่เมื่อบุญกุศลยังมากอยู่อืตามันก็เริ่มมัวไปแล้วมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเหมือนแต่ก่อนหูมันก็เริ่มเตื่อมไปจากเสียงฟังเสียงอะไรถ้ามีใครพูดเบาๆนี่ไม่ได้ยินซ้ําเลยอืมถ้าพูดแรงๆยิ่งค่อยได้ยิน นั่นแหละเรียกว่ามันเสื่อมอจมูกก็ชำรุดไปรู้กินอะไรก็ไม่ค่อยรู้ตึกรุนแรงเหมือนแต่เมื่อยังหนุ่มเล้นการรับรสอาหารก็ไม่อร่อยจัดเหมือนอย่างแต่เมื่อยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนอย่างนี้แหละร่างกายทุกส่วน ถึงแม้มันจะอ้วนท้วนอยู่มันก็ยังอ่อนแอไม่แข็งแรงมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อบุญเก่านะมันลอยหลอลงไปแล้ว อ, อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้มันก็เสื่อมสมรรถภาพลงไปมันจะแข็งแรงอยู่เหมือนแต่ยังหนุ่มวัยกลางคนนี้ไม่ได้เลย บางคนก็ไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตัวเองเหตุนั้นถึงไม่รีบเล่งสั่งสมบุญกุศลแม้บุคนบางคนนะจะแก่เท่าชรลาลงอย่างไรก็ไม่ฝักไปในบุญในกุศลมักจะไปลูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับเห่นถ้าผู้มีอายุยืนไปนะนั่นแหละอยู่กับยา่าอยู่กับเรือน ผูพกพันอยู่กับเป็ดกับไก่อยู่กับการงานลเล็กหน้อยๆ อ, อะไรในบ้านในช่องอยู่นั่นอ่าเกียรตใจนั้นไม่ได้ฝักไฟมาในทางบุญกุศลไม่ได้นึกถึงร่างกายนี่มันจะอยู่ยั่งยืนไปเท่าไรมันจะแตกมันจะทำลายอยู่เมื่อร่างกายแตกแล้วเราจะพึ่งอะไรหมายถึงดวงขีดนี่นะจะให้จะให้ดวงขีดนี่พึ่งอะไร มันไม่คิดกันถ้ามันคิดอย่างนี้ได้มันก็มันก็ตื่นตัวนะก็รีบเร่งฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลขอนขวายในบุญในกุศลเต็มความสามารถฝึกใจให้น้อมให้พอใจยินดี ในบุญในกุศลนพึกใจให้มันสงบให้มีปัญญารู้แจ้งนามรูปนี่ตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแล้ววางเฉยลงไปหัดปงหัดวางขันห้านี้ลงด้วยสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้จึงได้ชื่อว่า เป็นผู้สั่งสมบูรณ์กุศลสืบต่อชีวิตนี้เมื่อร่างกายนี้มันแตกดับทำลายลงบุญกุศลอันนี้ก็ปิญญาภ า, านะรองรับโรงกิตให้ไปบังเกิดในที่สุขสบายถ้าท่านผู้ระอุปทานความยึดมั่นถือมันได้หมดแล้วท่านก็เข้าสู่พานิพานดังแสดงมา